มีคำถามมาว่าเห็นมีขันบอกร่วมสร้างสวนยินดีทะเละครับคืออะไรแล้วต่างกับสวนยินดีทำยังไงนะครับผมเชื่อว่าคนในนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักสวนยินดีธรรมอยู่แล้วอาจจะเคยไปแล้วหรืออาจจะยังไม่เคยไปแต่ก็คงเห็นรูปเห็นอะไรจากในเว็บได้ไม่ยาก สถานีธรรมสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสบเอ็ดนะครับตอนนั้นจากการดำริของคุณแม่ยินดีที่จะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นมาแต่ น, นั้นก็ผมบวชอยู่แล้วก็มีพระชันนุนจันร์ลงไปเกิดมีที่ข้างๆโรงเรียนที่คุณแม่อยู่ที่สุราษฎร์เขากำลังจะเปิดประมูลพระจารย์ไปแล้วก็เข้าไปกับผมที่ที่แปลงนั้น เราก็รู้สึกว่าผมรู้สึกเลผมผมก็บอกแม่ว่าผมรู้สึกว่าที่แปลงนี้มันสงบเย็นมากๆเลยแม่ก็เลยประมูลที่แปลงนี้ขึ้นมานะครับด้วยเงิน27ล้านบาทประมูลที่แปลงนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นก็นำมาก่อสร้างทาศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ยินดีธรรมโดยแบ่งครึ่งหนึ่งข้างหน้าใช้เป็นโรงเรียนขยายโรงเรียนต่อ อีกครึ่งหนึ่งด้านหลังทําเป็นสวนยินดีทาที่ปฏิบัติที่เราเคยไปกันแล้วก็มีผู้เข้าผู้ใจบุญเข้ามาร่วมกันตอนนั้นคุณติ๊กนี่ก็ด้วยนะครับบริจาคไฟทั้งหมดก็สี่แสนกว่าแล้วก็ SB f u r n ฟ t u r e เกือบสามล้านนะครับเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยทุกรายการที่มีอยู่กับเ b เรียกว่าแทบจะเหมาล้มกระดานเลยคือคนอื่นแทบไม่ทาให้ทันเลย ยังจำได้คุณอาก็หัวเราะขอโทษนะเอาหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็สุปกิจพระประธานนะสองแสนกว่าตอนนั้นครอบครัวสุปกิษือก็ไม่ใช่ธรรมดานะขายอาหารสัตว์เนี่ยได้กำไรถุงละสองบาทนะคิดดูต้องขายแสนถุงนะถึงจะได้นะครับก็ทุกคนก็ช่วยกันนะครับเต็มที่เท่าที่จะมีกำลังก็ไม่มีปัญหาเลยไปตามคอสก็วางขันเขาก็จะไปลงหมด ที่ท่านทําทําไว้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไปลงหนังสือษาดูจิตหนึ่งพรนษาที่อมรินจ่ายค่าลิขสิทธิ์มาก็โอนเข้าสวนยินดีธรรมจมหมดนะครับทุกอย่างก็ไหลเข้าไปที่นั่นเบ็ดเสร็จใช้เงินก่อสร้างรวมแล้วประมาณสาสิบห้าล้านบาทนะครับก็ออกมาเป็นศูนย์นปฏิบัติธรรมสวนยินดีธรรมแล้วก็มาใช้ประโยชน์ของพระศาสนาทั้งคอร์สทั้งเด็กนักเรียนทั้งใครต่อใครนะครับก็ไปเข้าไปใช้กัน ถึงวันนี้ก็เป็นปี55ก็เปิดมาแล้ว4ปีสวนยินดีทมเหมาะที่จะใช้ทาคอร์สที่ไปอยู่รวมกันเพราะสถานที่เป็นที่พักเป็นอะไรก็ต้องอยู่พักด้วยกันแต่ผู้ภาวนามาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่วิเวกแล้วมันจำเป็นต้องไปอยู่คนเดียวถ้าไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวสงัดได้เนี่ย จิตไม่มีวันที่จะลงเห็นคนเพราะมันจะสั่นตลอดมันจะเคลื่อนไหวตลอดไม่มีทางเลยถ้าไม่พลากออกนะก็ตอนตายตายคนเดียวนะต่อให้มีคนอยู่รัวข้างก็ไปคนเดียวตอนมาก็มาคนเดียวไปคนเดียวแค่นี้จริงๆเป็นแฟนสามีภรรยาเพื่อนมันแค่เดินเข้ามาใกล้ๆกันแันก็เดินห่างออกไปเท่านั้นเองคล้ายๆถ้ามองสังสารวัฏนี้ท่านไปเจอใครในห้างสรรพสินค้าห้านาทีท่านก็าหายกันไปนะ ถ้าดูในภาพรวมมันแค่มาเจอกันนิดเดียวแค่นั้นเองในทุกๆคนใครที่เจอนานหน่อยก็ทํากรรมกันมามากหน่อยนะครับกรรมดีกรรมไม่ดีก็แล้วแต่แล้วแต่แต่มันก็จะดึงดูดรูปดึงดูดรูปเข้าหากันด้วยพลังงานทั้งบวกและลบจะดึงดูดรูปเข้าหากันเป็นธรรมชาติพลังงานดีก็ดูดพลังงานดีพลังงานไม่ดีก็ดูดพลังงานไม่ดีเข้าหากัน ถ้าใครรู้สึกว่าลูกเป็นอะไรเจอแต่คนไม่ดีดูตัวเองเถอะใครๆก็ไม่ดีมีกูดีอยู่คนเดียวแต่ใครก็รู้สึก เ, เจอแต่คนดีๆนะไปไหนก็มีแต่คนช่วยเหลือจะลําบากจาบากก็มีคนช่วยเหลือตลอดก็ชัดเจนชัดเจนเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงสถานที่เปรีกวิเวกถ้าใครเป็น ชาวสวนยินดีหรือชาวมากาักคานุคาก็จะรู้ว่าก่อนหน้าที่จะมีสวนยินดีทะเลเนี่ยมันมีชื่อสวนยินดีทาราขึ้นมาเพราะพวกเราโหวตชื่อนี้กันขึ้นมาเองตอนไปปฏิบัติธรรมเป็นที่ริมแม่น้าตาปีซึ่งเป็นแม่น้าคือค่อนข้างใหญ่เลยช่วงนั้นแม่ก็ตัดสินใจซื้อขึ้นมาแปดล้านแล้วก็สร้างเขื่อนไปอีกเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมสุราษฎร์ก็ พะไม่มีเขื่อนเนี่ยที่ไหลแปลงที่ดินก็หายไปก็สร้างเขือข่อนขึ้นมาอีกสามล้านมีวันหนึ่งขณะที่ออกจากคอสปฏิบัติผมก็รู้สึกว่าพอไม่มีคอสก็จะไปเปลี่ยวเวกเวลาอยู่บ้านมันสบายนะครับส่วนยีนีธรรมใครแวะไปก็สบายมีทุกอย่างผมรู้สึกว่ามันสบายไปหน่อย แล้วมันก็ไม่ค่อยเวลาคนสบาย้างๆมันค่อยเห็นธรรมมันจิตมันเป็นเผลอๆเป็นเพลอแล้วมันไม่ถูกกระตุ้นมันจะฟอฟอ่ยเยียบเฉยๆมันมันไม่หนีมันไม่ดิ้นมันมันมันไม่ไม่พยายามจะเดินออกไปมันเหมือนคนใส่เกี่ยวว่างแล้วก็ว่างๆก็จะไปปีกวิเวกที่นู่นที่นี่ก็เลยเอาเต็นท์ใส่รถแล้วก็ขับรถไปเรื่อย คิดว่าเออไปอยู่ในป่าดีกว่าก็ขับรถไปศูนย์นารักษ์พันธ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นป่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชไปตามแผนที่ g ีพเอสก็พาไปไปถึงปั๊มันก็เย็นละห้าโมงกว่าเพราะอยู่ๆทานข้าวเที่ยงเสร็จดุูไปดีกว่าก็ปุ๊บเก็บของแล้วไปเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรเก็บอยู่แล้วพอไปถึงก็ไปขออนุญาตที่ศูนย์นารุลักษ์เขาก็ไม่ยอมเพราบอกไม่มีหนังสือมาเขาเป็นหน่วยราชการเขาให้พักไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าไงก็ขับรถลงมาจากเขาก็ผ่านทะเลก็วิ่งผ่านมว่าหกโมงยนมันทําท่าจะมืดแล้วเดี๋ยวหากลางแถวนี้แหันไปเห็นร้านอาหารร้างร้านหนึ่งก็เลยเลี้ยวเข้าไปเอาตรงนี้แหละก็บอกขอกางเต็นท์หน่อยได้ไหมอะไรก็ช่วยค่ากางเต็นท์บ้างอะไรแล้วก็เขาเป็นร้านอาหารเก่าๆก็ดีทถ้ามาหาได้กิน ก็เลยไปกางเต็นอยู่ริมทะเลคืนหนึ่งเช้ามาใสายๆหน่อยก็จะออกก็ถามคุยกันไปสาระสาระทุกสุขดิบหละเหมือนคนไปพักอยู่ในบ้านเขาเสร็จแล้วก็ถามว่าถามก็พี่ที่แถวนี้เขาเป็นอะไรอะ่นอสะนสสามหรืออะไรอย่างเงี้ยถามถามด้วยเปื่อยนะเขาบอกอ๋อเป็นนสสามกรเรือร่องพอกำลังจะเดินขึ้นรถเขาบอกว่าจะขายนะ ผมก็ไม่สนใจแนละ้วผมไม่ได้จะซื้อก็ขับรถออกไปแล้วก็ไปขับรถขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปเกาะพังงานพอขึ้นไปเกาะพังงนันก็ไปหาวัดป่าอยู่ไปอยู่ตามป่าในเกาะพังงานพอกลับก่อนกลับก็โทรศัพท์คุยกับคุณแม่แม่ก็ถามว่าอเป็นไนอยู่ไหนล่ะอยู่อยู่หายไปเลยบอกอยู่พังงนันฮะเมื่อกี้ยังกินข้าวอยู่ไดไปอยู่เกาะพังงานแล้วหรออยู่พังงาน ก็พอกลับมาแม่ก็บอกว่าอยู่ๆเขาก็บอกว่าอยากซื้อที่ริมทะเลจังผมก็เฉยๆผมไม่ได้พาเ้าจะไปซื้อที่หรอกผมบอกว่าผมเองจะบอกว่าจะพาไปกินข้าวเพราะที่นี่ก็ทําอาหารอร่อยดีก็รับคุณแม่แล้วไปกินข้าวก็พูดบอกว่าก็เนี่ยเห็นพี่เขาบอกก็จะขายด้วยนะที่แปลงเนี้ยแม่ก็แต่ไม่ได้เบิร์ข้างนอกนะเบิร์ข้างใน เก็บอาการอยู่เก็บอาการเนี่ยครับที่พอเขาเห็นที่แปลงนี้เขาก็คิดว่าอันนี้เป็นหลังที่ติดบ้านตอนนี้หลังคาไม่มีเหลือแล้วกําลังปรับปรุงบรณนะข้างบนก็โยกีพักได้กําลังรื้อใหม่หมดนะครับกําลังเริ่มก่อสร้างหลังแรกแล้วก็จะเสร็จไปทีละหลัง นี่เป็นด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นทะเลก็ไม่ได้เกี่ยวกับหงจุ้ยนะแล้วคนก็บอกว่าโอ้โหนี่หัวมังกรเลยเนีย่บอกไม่ทราบ <c oughs> แค่เข้าไปกลางเต็นท์นี่หน้าทะเลหลังเขาถนนอยู่ข้างล่างที่ประมาณสีไร่ เขาก็บอกขายคุณแม่มาแปดล้านต่อรองเงื่อนไขาการชำระเสร็จแม่ก็ซื้อแม่ก็บอกว่าจะทำที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมก็เลยพักโครงการที่ลงทุนไปแล้วสิบกว่าล้านเอาไว้ก่อนคงไม่พักละติดขายเลยแล้วก็แม่ก็เลยเปลี่ยนมาทำที่แปลงนี้แทน ซึ่งพอด้านหลังที่ที่เราเห็นถนนขึ้นไปเป็นเขาเนี่ยพอขึ้นไปก็จะเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าของนครศรีธรรมราชด้านหลังเป็นภูเขาที่มีสัตว์ป่าอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะพวกกวางพวกอะไรเนี่ยอย่างที่แปลงเนี่ยเขาเจ้าของก็บอกว่ากวางมันก็ลงมาอยู่เรื่อยถ้าปฏิบัติภาวนาวก็มีกวางด้านหน้าที่เป็นทะเลก็จะมีโลมาสีชมพูนะครับหลายฝูงที่มากระโดดกระโดดกระโดกะโดกัน ก็เป็นครูสอนกรรมฐานให้นะอันนี้ก็เป็นสภาพซึ่งร่มรื่นมากนะครับร่มรื่นมากวัตถุประสงค์ของที่แปลงนี้ก็คือสร้างเป็นกุฏิเดียวห้องเดียวพักคนเดียวภาวนาคนเดียวมีห้องน้ําส่วนตัวให้มีหอธรรม ถ้าใครต้องการจะอยู่ป่าก็ขึ้นไปพักบนป่าซึ่งมีน้ำตกคนที่ไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปเล่นน้ำตกบ้างอะไรบ้างเขาไปอย่า ก, ก็หน่อยนี่เล่นน้ำตกมาแล้วหน่อยว่ายน้ำเป็นปลาเลยเพราะฉะนั้นก็มีทุกแบบนะครับอยากจะอยู่ป่าอยู่ทะเลอยู่เขาอยู่แล้วก็อยู่ตรงนั้นหมดอยู่ตรงนั้นหมด เนี่หลังเป็นภูเขาใหญ่เลยนะครับล้อมเต็มไปหมดเลยในที่นี้ก็หลายคนก็แวะไปมาแล้วนะครับก็จะมีกุฏิเรียกว่าที่พักที่เป็นห้องอห้องก็คล้ายๆเป็นโลไลซ์สองชั้นแล้วก็แบ่งเป็นห้องส่วนระเบียงเนี่ยระเบียงก็ ออกมาแล้วก็ค่้มีที่นั่งที่เราเคยเห็นแต่ว่าที่นั่งเนี่ยจะทำสามารถเอาเบาะที่นอนตั้งได้แล้วก็เกี่ยวกรดจะนอนข้างนอกก็ได้ที่ระเบียงหรือจะนอนในห้องก็ได้กรณีถ้ามาด้วยกันสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งอยู่ในห้องก็ได้คนหนึ่งจะอยู่ข้างนอกก็ได้นะครับก็ภาวนาอยู่ข้างนอกลมพัดตลอดนะครับก็ร่มรื่นผมไปดูก็ร่มรื่นแล้วก็มีหลายบรรยากาศให้เลือก บางคนอยากจะวิเวกในป่าจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะว่าคอสเรารู้ก่อนแล้วก็ทำหนังสือไปได้เพราะเป็นสวนน่านรักอ่ะนี่ก็เป็นสวนยินดีทะเละก็จะมีอยู่สองสาส่วนนะครับส่วนแรกก็คือกุฏิที่พักซึ่งใช้เงินลงทุนสร้างประมาณหลังละสี่แสนบาท แล้วก็ส่วนของขอทำและพระประธานเท่าไหร่ไม่รู้ แ, แต่ก็ผมให้ก็แยกออกมาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นหุ้นละสี่0มืนบาทนะครับยี่สิบหุ้นหรือกี่หุ้นก็ไม่รู้ลวก็แล้วแต่แล้วแต่เนื่องจากพวกอุปกรณ์แอร์เอออะไรก็แอร์ก็มีแอร์รับไปนะครับเป่าคือแอร์เนี่ย ก็มีแอร์โฮสเตลรับไปกับอาจารย์พอทิพย์กับอะไรกลุ่มของเขาลงไปปฏิบัติคราวที่แล้วทุกคนก็ช่วยเหลือกันมาอย่างมุ้ยแหมมอะไรเนี่ยก็เยอะแยะเลยนะครับเอ่ยชื่อไม่หมดอเขาประทานโทษก็ช่วยกันสุภกิจอะไรเนี่ยนะคนที่แจ้งความจำานงไปแล้วอย่างคุณจิ๋มนะครับคุณจิ๋วนะครับหลังหนึ่งก็อนุโมทนา ทุกๆคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพราะถ้าเราลูก ล, ก ห, ลหลานเนี่ยผมก็แค่บอกบุญเฉยๆ เ, เพราะสถานที่จริงๆผมกับแม่เราก็นอนกันแค่ บ, บ้านของเราซึ่งคุณแม่ก็สร้างเองแต่ในส่วนที่สร้างขึ้นมาให้ผู้ปฏิบัติอันนั้นก็เปิดรับบริจาคแต่อะไรที่เป็นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติคุณแม่ก็สร้างเองทั้งหมด สาธานูพระโภคอะไรทุกอย่างแม่ทำเองแล้วก็ถ้าไม่พอแม่ก็จ่ายเองนะครับเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราลูกรูกหลานอยากจะเข้าไปร่วมกันนะครับเพื่อสร้างสถานที่น้ไว้ให้กับถึงเราอาจจะได้ไปเองหรือว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ไปช่วงเราไม่ได้ไปคนอื่นก็ได้ไปใช้สถานที่ต่างๆร่วมกันสร้างไม่มีอะไรมากนะครับตรงไปตรงมา อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราสวดธาตุปัจจเวกแล้วก็ยังไม่ถึงหนังสือกลัวเกิดอยู่ดีว่าคอสยาวๆๆๆก็พูดไม่ทันอยู่ดีเอแปลกนะเพราะมันออกไปนอกเรื่องเยอะแต่นอกเรื่องมันก็ในเรื่องนะอาราังสัมมาเลครับ เชิญครับเดี๋ยว9โมงครึ่งเจอกั